มันทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นคืนนั้นเองเราก็ได้ฝันว่ากำลังเดินไปเข้าห้องน้ำนั้นบรรยากาศรอบตัวมืดมิดมีเพียงแสงไฟสลัวสลวและอากาศที่เย็นเฉียบพอเราก้าวเดินเข้าไปในห้องน้ำก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนอยู่บนเตียงซึ่งเตียงนั้นมันเป็นเตียงคนไข้